ต่างมาศึกษาปกรมด้วยความมุ่งหวังต่ออัดต่อทมให้เล่นเป็อัดรมคือเหตุผลประจำใจและการแสดงออกอยู่ตลอดเวลาเพราะงานใดในโลกนี้ไม่ได้เป็นงานที่หนักและเป็นงานที่ละเอียดและออมากยิ่งกว่างาน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 การศึกษาเราเรียนเพราะว่ายากแต่ียังเป็นความจดจาแต่ความจดจำถ้าจิตจดจอ่อก็จำได้ง่ายถ้าจิตไม่จดจอก็ไม่รู้เรื่องอีกเพ่นเดียวกันยิ่งอันจิตตภาวนาด้วยแล้วยิ่งใช้ความละเอียดละออมากยิ่งกว่านั้นอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้อุบายวิธีการต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ในการประกอบความภาคเพียรจึงมีมากเป่นสถานที่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งปัจจัยทั้งสี่แต่ละอย่างละอย่างล้วนแล้วแต่ทรงสอนไว้อย่างละเอียดละออ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่พระจะปฏิบัติให้เหมาะสมตามพระาวา่าทีสูงสั่งสอนนั้นถ้าได้คาดเคลื่อนไปก็ชื่อว่าคาดเคลื่อนจากความถูกต้องดีงามการภาวนาก็ไม่สะดวกผู้มาศึกษาใช้ความสังเกต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 เดินให้ถึงเหตุถึงผลอย่างไรบ้างหรือไม่นี่เวลาเดินไปมากมากมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตเป็นอย่างไรนั่งนานนานเกิดทุกขเวทนาขึ้นมามากน้อยจนถึงขั้นจะทนไม่ไหวจิตเป็นอย่างไรนี่ มันต้องได้เป็นอุบายได้อุบายจากอริยาบทนั้นๆอยู่โดยดีถ้าเราภาวนาจริงๆอดอาหารก็เป็นเครื่องบรรเทาธาตุขันที่มีกำลังมากคอยที่ 8, คอยแต่จะทับจิตใจให้อ่อนตัวลงไปคิดเรื่ก้าวได้ง่ายคล่องตัวขึ้นโดยลำดับ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 เพื่อสืบต่อความภาคเพียรต่อไปเท่านั้นให้ใช่นอนเพื่อเอาความจุความสบายจริงๆเหมือนโลกเขานอนกันท่านจึงมีการกำหนดเอาไว้ว่าระยะนั้นนอ น, น, อนระยะนั้นพักผ่อนระยะนั้นเดินจงกรมระยะนั้นนั่งสมาธิภาวนาตามหลักอปันนักกปาติปทาที่เคยแสดงให้ฟังแล้วนั้น มีบทมีบาทมีเครื่องบังคับให้พอเอมาะพอดีที่ทำจะเกิดที่จะเป็นการเสริมอัดเสริมทำให้มีกําลังมากขึ้นทำจึงจะรินได้ถ้าจะปล่อยให้เป็นไปตามใจแนละ้วไม่มีวันที่ทำจ ะ, จะเจริญในใจแม้ความสงบก็หาความสงบไม่ได้จะอยู่ในวัยใดก็ไม่สําคัญเพราะกิเลสไม่มีวัย กิเลสคือกิเลสตัวคึกขนองอยู่ภายในใจนั่นแหละจึงต้องได้ใช้ความปินิพิจารณาพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญอยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวดนนเวลาทีสส่สมบุกสมบันจริงๆก็หกปีการต่อสู้กับกิเลส ไม่มีใครที่จะรับความทุกข์ความลำบากเหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงสุดทรมานพระองค์ในเวลาบำเพ็ญ น, นั้นตามตำหลับตำลาเราก็เห็นด้วยกันอ่านแล้วเกิดความสล ด, ดสังเวชน้ำตาร่วงเราเป็นอย่างนั้นสงสารพระองค์ยิ่งต้องอดพระกยาหารนี้ด้วยแล้วแหม ใครทำได้อย่างนั้นยิดดูดิรุนแรงไหมมนะันเพราะพระ อ, องค์เห็นว่าท่านี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ต่อสู้กับทิเลตโดยถูกต้องจึงได้ทรงทุ่มเทพระสติกำลังคาวามสามารถตลอดถึงชีวิตเลือดเนื้อก็สละลงไปในเวลานั้นถึง49วันน่น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 ความทุกข์ทรมานทั้งหลายที่รวมตัวเข้ามาเพราะความเพียร น, นั้นไทยจะเร็นพระพุทธเจ้ารวมแล้วมีตั้งแต่มหันตทุก์ทั้งนั้นด้วยการต่อสู้ที่ไม่สูงท้อถอยลดละจนกว่าจะเห็นดำเห็นแดงกันจริงๆแล้วจึงทมเปลี่ยนวิธีใหม่นั่นดูสิไปยังไง วิธีการของท่านดำเนินเราถึงท่านจะดำเนินยังไม่ถูกทางก็ตามแต่พระอาการทุกอย่างที่ทรงตั้งพระไทยไมย้อัดไ ม, รรม้ทมคือแดนแห่งความตรุตรูนั้นทรงเอาพระชีวิตชีวาเข้าแรกจริงๆ หนักหรือไม่หนักก็อย่างที่เราได้อ่านได้เห็นนั่นแล้วนั่นแหละดูเอาทีนี้ถ้าเมื่อหมุนมาอีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีที่ถูกต้องคือทรงเจริญพระนาปานสตินี่ก็ทรงตั้งสธิษฐานลงเลยว่าถ้าไม่ได้จัดสรุปทำแล้วยังไงก็ต้องที่นั่งกับที่ตายเป็นที่เดียวกัน ไม่ยอมลูกเลยนี่เด็ดไหมฟังสิเล่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเอามากรองมาพินิจพิจารณาจริงทราทําำเหล่านี้มีแต่เป็นคติธรรมทั้งนั้นที่ศาสดาสอนไว้พาดำเนินด้วนแหน่ตั้งแต่เป็นลวดลายของศาสดาที่สอนโลกให้ได้ถือเป็นคติตัวอย่างเป็นอย่างดีทั้งนั้นเพราะความอดแอมไม่เคยทําผู้ใด ให้สมมัติสมหมายสมความมุ่ง ม, ม า, ปา่ปปาฏณาานอกจากความเข้มแข็งความอุตสาห์พยายามอดทนดังที่ท่านแสดงมาแล้วท่านทรงนำเน้นมาแล้วนําเท่านั้นนี่เราก็ได้นับพระองค์วาดทุกแง่ทุกมุมแล้วจากพระองค์หากจะทุ่มเทกำลังของเราลง เพื่อความเพียรที่ได้รับจากท่านมาแล้วก็ไม่เลยเป็นการเสี่ยงทายไม่เป็นการผิดหวัง<ม>เหมือนพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาก่อนเราดูพระอาการที่แสดงทุกแง่ทุกมุมแห่งความเพียร มีตั้งแต่แบบอัศจรรย์แบบใครทำตามไม่ได้ทั้งนั้นนี่แหละเรื่องของศาสดาสละเพื่อโลกเพื่อสงสารเฉพาะอย่างยิ่งสละเพื่อพระองค์ถึงความเป็นศาสดาทรงสละอย่างนี้เอาถึงเป็นถึงตายถึงขนาดที่ว่านั่งแล้วไม่ลุกที่นั่งกับที่ตายเนี่ยเป็นที่เดียวกันถ้าไม่ตรัสรู้ทำจะอย่างเดียวเท่านั้น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 มาครองพระไถยแล้วนำธรรมเหล่านี้ออกสั่งสอนโลกให้ได้หูแจ้งตาสว่างพ้นจากนรกหมกไม่แห่งความเกิดแก่เก็บตายไม่หยุดไม่ถอยนี้ไปได้มากมายก่ยกอนทำใดที่จะเสมอเหมือนธรรมพระพุทธเจ้านี้ไม่มี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 งทั้งหลายที่เราเคยจำเเจมาแล้วมากมายนั้นมีด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสความต่ำซามทั้งนั้นนั้นจะเอาของดบของดีของวิเศษวิสโสอะไรมาให้เราได้ครองพอเป็นความภาคภูมิใจเหมือนอัดเหมือนรมเล่เออเช่นความขี้เกียจขี้คร้านความพอแท้อ่อนแอเหล่านี้เป็นต้นด้วนแล้วตั้งแต่เป็นสายทางของกิเลส พาเดินด้วยฉุดลากพวกเรามานานแสนนานแล้วการเกิดตายในวัฏจักรวัตถทุงสารอันนี้ก็ไม่มีใครที่จะเกินเราเราท่านท่านซึ่งเป็นมรรคเกิดจากเจ็บตายในขณะเดียวกันก็คือแบบทุกข์หามทุกข์ไปด้วยทุกภพทุกชามากน้อยตามกําลังแห่งบาปและบุญของตนที่ได้สร้างมานี่ก็ไม่มีใครใครเกินเราเร า, เราท่านท่าน ท่านจิงไม่ให้ประให้ประมาทขึ้นกันนละกันเพราะเป็นนักด้วยกันถ้าพูดถึงเรื่องทุกข์ก็นักเป็นนักมหันต์ตทุกมาแล้วตั้งแต่ขั้นมหันต์ตทุกหากว่าจิตนี้เป็นสิ่งที่คลิปหายล่มจมไปได้จะไม่มีจิตดวงใดในโลกแดนโลกกับทานนี้เหลืออยู่แม้ดวงเดียวเลยว่าไม่ได้ถูกทุก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 เมื่อถึงวาระที่ควรจะผ่านพ้นก็ผ่านพ้นไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นของเที่ยงทุกขนาดไหนก็มีวาระที่จะผ่านพ้นไปได้เกิดในภพใดชาติใดไม่ว่าสูงต่ำสุกทุกประการใดมีเวลาผ่านพ้นไปได้ตามการของมันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจัง ทั้งสามแดนโลกกถาตนี้ไม่มีโลกใดแดนใดที่จะเลยข้อเขียแห่งอนิจจังทุกขังหน้าตาไปเพราะฉะนั้นจิตที่ตกอยู่ในทํำกลางแห่งพบทั้งสามหรือแห่งใช่แล้วพบทั้งสามนี้จึงไม่มีผู้ใด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 มันมากจนกระทั่งถึงสุดวิสัยที่จะนับเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งพบแห่งชาติจากจิดดวงเดียวนี้หากไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์มาโปรดปรานแล้วก็เหมือนกันกันกบคนไข้ทั้งหนักทั้งเบาไม่มีหมอไม่มียาเป็นเครื่องรักษาเลยยุ่งกันอยู่แต่กับของแสลง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 จึงได้รือผ้นสัตว์โลกให้ดุดพ้นไปตามลำดับเป็นลำดับลาดามากต่อมากนับไม่ขนาดนาไม่ท่วนเหมือนกันบรรดาจิ ต, ตวิญญาณที่ผ่านพ้นจากแดนแห่งสมมุตินี้ไปถึงความดุดพ้นโดยสิ้นเชิงไม่ต้องบกเยือนมาอีกเรียกว่าตัดขาดแล้วจากความที่เคยเป็นมา รือเกิดแกเจ็บตายซึ่งหามทุกนีนโดยสิ้นเชิงอีกเช่นเดียวกันไม่มีอะไรเหลือจากการบําเพ็ญธรรมตามศาสดาหรือตามศาสนธรรมของศาสดรา อ, องค์นั้นๆนี น, นํำสั่งสอนไว้แล้วพวกเรายังจะชินต่อสินเหล่านี้อยู่อีก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 ปล่อยจากโทษประจักใจก็เห็นอนันตคุมเต็มหัวใจนั่นแล้วทำไมจะไม่เทียบเทียงกันได้ในขณะนั้นอย่างมหันต์ตทุกเพราะอิต ท, ที่ถูกกิเลส บ, บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งปัจจุบันถึงขณะที่ด้สลับปรับ ิเลศอันเป็นเชื้อแห่งทุกเป็นสาเหตุแห่งทุกออกหมดแล้วแล้วหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงนั้นนั้นอยู่ในจิตดวงเดียวกันท่านทำไมจะไม่ทราบคำว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเข็ดในทุกทั้งหลายนั้นท่านไม่ได้เข็ดเหมือนคนมีกิเลสทั่วๆไปเข็ดกันซึ่งมีเพียงชั่วขณะ แล้วก็ถูกกล่อมให้ร่มจมลงไปอีกโดยไม่รู้สึกตัวเลยนี่แหละทมที่วัตตะวนของจิตไม่มีที่สิสุดได้เพราะเหตุนี้เองถ้าลงได้เห็นทุกข์ให้ถึงใจแล้วเรื่องความภาคเพียรทุกด้านที่จะเป็นไปเพื่ออรบเพื่อทมในการสังหารกิเลสจะหนักมือเข้าไปโดยลำดับลำดา จนกระทั่งถึงสลับออกได้โดยสิ้นเชิงนั่นแหละที่กล่าวว่าการเกิดตายมามากมา น, น้อยเพียงไรเราเองเป็นนักเกิดตายด้วยกันนั้นธรรมดาเราที่เป็นอยู่เวลานี้ในผิดเนี่ยจะไม่มีทางทราบได้เลยในคำพูดเหล่านี้ถ้าไม่ได้ปฏิบัติ จิตต่อจิตใจซึ่งเป็นนักพ่องเที่ยวหรือนักเกิดแก่เจ็บตายนี่ให้ตลอดทั่วถึงแล้วจะไม่มีทางทราบได้เพราะผู้นี้เป็นผู้พับพับเป็นผู้เป็นผู้ไปเนื่องจากเชื่อคืออวิชชาปฏิยาฝังนึกฝังจมอยู่ภายในนั้นนั่นแหละตัวพาให้เกิดให้ตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยคือตัวนั้น การเกิดสูงสูงต่ำต่ำลุ่มดอนนั่นเป็นเพราะวิบากแห่งกรรมดีและชั่วซึ่งแทรกไปตามกันกันกบเชื้อนั้ น, นสัตว์โลกจึมีความสุขบ้างทุกบ้างไม่สม่ำเสมอกั น, นเมื่อการปฏิบัติจิตภาวนาเข้าไปโดยลำดับ เ, เริ่มแต่เพียงขั้นสงบเท่านั้นเราก็เห็นคุณค่าแห่งความสงบ และเห็นโทษในความหุ้งซ่านของใจในขณะเดียวกันเริ่มไปโดยลำดับลำหนาตั้งแต่สมาธิเมื่อก้าวถึงขั้นเข้าขัา้นปัญญาปัญญาเป็นเครื่องตัดกัญญาเป็นเครื่องต่อรองพินิษพิจารณาเหตผลต้นปลายที่มีอยู่ภายในจิตทั้งการแสดงออกและแสดงออกมาจากที่ไหน เป็นลำดับลำดาแล้วสลับตัดออกได้เป็นขั้นเป็นตอนนับแต่วงกว้างเข้าสู่วงแคบคือวงกว้างกับไมท้ทั่วท่วไปรูปเสียงปีนลดเครื่องสัมผัสต่างๆทั่วแดนโลกกถางนี่สลับออกไปได้ยนเข้ามาภายในก็คือตาหูจหมูกรินกายหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตัดเข้ามา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 อดขี่บังคับกันแต่อย่างใดหากเป็นความพอพอใจเรื่องความอุตสาห์พยายามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นมาเองเข้าสู่จุดแห่งความต้องการความหุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นเป็นสําคัญนะแล้วพิจารณาเข้าไปตรงไหนตรงไหนขึ้นชื่อว่ากิเลสกับธรรมได้แก่สติปัญญาธรรมแล้วจะไม่เจอกันไม่มี นอกจากเราไม่มีสติไม่มีปัญญาพอกับสิ่งที่มีอยู่ภายจในจิตใจนั่นเท่านั้นแม้จะมีอยู่มากเพียงไรกขาไม่เห็นไม่เจอเมื่อสติปัญญามีพอที่จะรู้จะเห็นพอที่จะตัดกันให้ขาดรงไปเป็นรักเป็นตอนแล้วต้องรู้ต้องเห็นต้องตัดขาดไปเป็นรักเป็นตอนจนกระทั่งถึงถอนออกหมดทั้งรากแก้วเขามันคืออวิชชา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 เหลือแต่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นแหละการดูพบดูชาติของตัวเองและการหมดพบหมดชาติของตัวเองจะประจักษ์ในขณะเดียวกันกันกบจิตที่หลุดพ้นจากเชื้อทั้ ง, งอันสําคัญและกิเลสทั้งหลายรู้ที่ใจเห็นที่ใจประจักษ์ที่ใจ โดยไม่ต้องสงสัยแม้พระพุทธเจ้าจะประทับอยู่ตรงหน้าก็ตามเถอะเราก็เป็นลูกศิษย์ตถาคตพร้อมที่จะสดับตับฟังกับท่านอยู่แล้วทุกแน่ทุกมือแต่พอถึงขั้นพอตัวเต็มที่แล้วคำว่าสันทิติโกยิ่งเป็นเครื่องประกาศยืนยันอย่างประจักษ์เช่นเดียวกับองค์ศาสดา บ, บอกว่า น, นี้แลกนั่นเองเพราะคาว่าสันทิติโกก็คือองศาสดาเป็นผู้ตรัสไว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 เพราะฉะนั้นการภาวนาจริงเป็นงานสำคัญมากที่จะตัดวัตตะให้ย่นเข้ามาย่นเข้ามาประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปคิดไปคาดว่ากี่ภพกพี่ชาติเราถึงจะหลุดพ้นจากทุกข์จากภัยจากความเกิดแก่เก็บตายไม่ต้องไปคาดเพราะสิ่งเหล่านี้บอกลุดประกาศตนเองอยู่ในใจนี้แล้วทุกระยะ มีมากมีน้อยเพียงไรพระเหมือนกับว่าประกาศตนให้ทราบอยู่ทุกระยะระยะสติปัญญามีมากมีน้อยเพียงไรกทุ่มกันลงไปเองพอถึงขั้นนี้แล้วสติปัญญาก็จะเป็นตัวของตัวขึ้นมาโดยไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนจากผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากเป็นหลักธรรมชาติของสติปัญญาขั้นนี้ที่จะสังหารกิเลส ท่านส่วนละเอียดให้ขาดชะบานลงไปโดยไม่มีอันใดมาเป็นเครื่องส่งเสริมมีเฉพาะสติปัญญาที่เท่านั้นเป็นอาวุธอันสำคัญที่จะตัดขาดจากกิเลสอาชวัะทั้งมวลซึ่งพาให้เกิดตายเกิดตายอยู่มาอยู่ไม่ถอยแล้วทำไมจะรู้ไม่ได้ล่ะว่าเวลานี้จิบหลุดพ้นแล้วจาก สมมุติทั้งหลายเพราะสมมุติก็อยู่ที่จิตหยาบก็ปรากฏอยู่ที่จิตละเอียดก็อยู่ที่จิตละเอียดสุดก็อยู่ที่จิตสมมุติสิ้นไปจากจิตก็รู้อยู่ที่จิตด้วยปัญญายางอันละเอียดแหลมคมมาก น, นั่นล่ะคือการตัดพพตัดชาติถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะหมดภาละโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลย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 นั่นคือความสิ้นทุกขสิ้นที่ตรงนั้นเพราะกิเลสธรรมชาติที่ก่อทุกข์ได้สิ้นไปแล้วด้วยอำนาจของมรรคมีสติปัญญาเป็นสำคัญนี่แหละทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศสอนไว้เฉพาะพระองค์ปัจจุบันนี้สองพันห้ากว่าปีนี้แล้วไม่มีเคลื่อนข้าจจากหลักความจริงถูกต้องโดยสม่ำเสมอตั้งแต่พื้นพื้นแห่งธรรม จงทัรงทั่งถึงวิมุตติบุดพ้นไม่มีธรรมบุใดขาดเคลื่อนผู้ปฏิบัติถ้าลงได้ดำเนินตามนี้แล้วมีหวังที่จะได้หลุดพ้นนี่จะแม้จะเกิดเคยเกิดมา ก, กี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้ดังที่กล่าวนี้ก็าตามเถิดเมื่อเชื้อมันขาดสะบั้นลงจากใจแล้วมันจะเอาอะไรไปเกิดอีกีกไม่มีแล้วนั่น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 แม้จะไม่เคยรู้ก็ เ, เห็นก็าตามเช่นพระพุทธเจ้าท่านเคยเป็นพระพุเจ้ามาเมื่อไหร่พระสาวกอาราหารัตหันตะก่อนท่านเคยบริสุทธิ์มาเมื่อไหร่พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วสามทิฏิโกก็ประกาศกังวานขึ้นภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นหายสงสัยไปหมดท่านเหล่านี้แหละคือท่านผู้พ้นทุกอย่างแท้จริงไม่ต้องกลับมาวกเย็ยนเกิดตายเกิดตายหามทุกข์หามความลำบากยากเย็นเฉินใจดังที่เคยเป็นมาอีก ตัดฉินกันลงที่ตรงนี้ฉะนั้นเรื่องาศาสนธรรมจึงเป็นธรรมสาคัญมากทีเดียวเนื้อการปฏิบัติบําเพ็ญธรรมจึงเป็นของสําคัญมากเช่นเดียวกันถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องชักจูงเป็นเครื่องพยุงแล้วเรื่องพบเรื่องชาติจะหาความหมายไม่ได้จะจะไม่มีเลยเรื่องความหวังว่าจะหลุดพ้นจากทุกข์เมื่อไหร่ถ้าธรรมไม่ช่วยความดีไม่ช่วย จะให้กิเลสมันช่วยให้ดูดพ้นนั้นไม่มีทาง น, นอกจากช่วยให้เกิดให้ตายให้ห ร, รับความทุกข์ความลําบากด้วยมาเหมือนกันกันกบเหยื่อล่อปลาที่เบ็ดมันเท่านั้นแหละมีความสุขียงเล็กน้อยแต่มีความทุกข์ถึงมหันตั์ทุกได้เนี่ยเครื่องล่อของมันเป็นอย่างนั้นล่อไว้ล่อไว้หลอกไว้ล่อไว้ต้มตุ๋นกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา มีใครธรรมชาติอันใดที่จะหลอกจะลอ่อจะต้มจะตุ๋นอย่างละเอียดแหลมคมจมไปเลยเหมือนกิเลสนี้ไม่มีอเมื่อทำได้เข้าถึงกันแล้วจะทราบไปตลอดทั่วถึงหมดไม่ว่าจะเป็นอุบาใดาของกิเลสเพราะฉะนั้นจริงเรียกว่าโลกุต ร, รธรรมธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองคือธรรมหรือเหนือกิเลสนั่นแหละจะเป็นเหนืออะไรบิมุตติธรรม เหนือสมมุติธรรมสมมุติโลกเลยทำใจเหนือทำเหนือหมดแล้วทำอยู่ที่ใจนั่นแหละที่ท่านหมดปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายที่เคยเป็นมาจะมากจะน้อยเพียงไรไม่มีปัญหาแล้วขาดจะบ้านทั้งหมดนัตถิดานิปุณัพโวความเป็นอีกคือความเคยเกิดเคยตายนั่นอะ อีกนะไม่มีหมดเท่านั้นอันนี้ว่านัตถิดาณิปุณภาภว์ตามที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพธนสัสตรท่านแสดงไว้อย่างนั้นนี่คือท่านผู้รู้ท่านผู้เห็นประจักษ์มาแล้วแสดงไว้คือพระพุทธเจ้าของเราท่านนั้นก็เป็นพระสาวกอรหรัตระหันท่านรู้ท่านเห็นแล้วก็บอกต่อกันมาถึงพวกเรานี้ มีความอุตส่าห์พยายามถ้าอยากหลุดพ้นจากทุกมีวันจบสิ้นลงได้ในการแบกหามทุกเพราะความเกิดเกจิตตายเป็นตัวสำคัญแล้วก็ให้พยายามต่อความภาคเปียนของตนเรื่องของกิเลสนั้นมันมีอยู่หัวใจของทุกดวงนั่นแหละไม่เป็นสิ่งที่น่าสงสัยว่ามันจะยกเราไปสู่แดนใดที่เป็นแดนบร ม, มสุข ไม่มีทางนอกจากมหันตทุกเท่านั้นเป็นที่สุดของกิเลสพาให้ล่มจมลงไปชวนทมนี้ถึงขั้นบรมมาสุขได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะเพราะได้พาโลกให้พ้นจากทุกมามากต่อมากแล้วพวกเราทั้งหลายที่ได้มาพึชิปฏิบัติจึงพากันพยายามตั้งใจปฏิบัติ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 ถ้ามันไม่สินส้นสิ่งก่อควรพายในจิตใจเชื่ออันสําคัญนี้เสียเมื่ อ, อไหร่แล้วจิตจะต้องดิ้นอยู่ตลอดไปอย่างนั้นความดิ้นอยู่ตลอดมันเป็นยังไงมันดีไหมคนเจ็บไข้ามากก็ดิน้นลังไงทุกมากก็ดิน้นเนี่ยจิตใจเมื่อมันไม่ทุกมันจะดิน้นหาอะไรโกรนกรวาดไปหาอะไรมีความสงบอย่างราบคาบท่านกล่าวไว้แล้วว่า นาทีสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนั่นก็คือใจนั้นแหละสงบความฟุ้งซ่านวุ่นวายที่เป็นจนถึงกับเป็นผลหมานตทุกข์ขึ้นมาก็คือใจนั่นแหละเป็นตัวสำคัญมันมียาพิษอยู่ภายในนั้นท่านจึงให้พยายามกำจัดยาพิษนี้ออก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 เพื่อความพ้นทุกข์ทำไมจะถือว่าเป็นของลําบากลําบนไปนี่มันก็ถูกคนมายาของก่เลสมันหลอกให้จมอยู่อีกแล้วนั่นจะไม่มีทางพ้นไปได้ทําไมตั้งใจอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายจะไม่มีวันพ้นไปได้นะอืเราอยากเข้าใจว่าจิตนี้มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีสิ้นมีสุดโดยไม่ต้องชําระสะสางกันเพราะ ไม่เมื่อไม่มีธรรมเป็นเครื่องชำระมันก็มีกิเลสฝังจมอยู่นั้นแล้วมันจะพาให้โลกนี้สิ้นสุดไปที่ไหนได้เรื่องของกิเลสก็เคยพูดแล้วว่าเหมือนมดแดงใต่ขอบดงวกไปเยินมาอยู่อย่างนี้ของเก่าของใหม่เกิดแล้วเกิดเล่านู่น ก, กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านพบก็จําไม่ได้เนี่ยเมื่อจำไม่ได้แล้วคนเราก็นอนใจม่น้ํำซํามาตายแล้วสูญไปอีกนั่นเป็นยังไงมันหาเรื่อง ลมๆแรงๆมาหลอกเราก็เชื่อเพราะเราไม่รู้เราไม่ทันมันมาตายแล้วศูนย์เราเป็นนักเกิดนักตา ย, ยตลอดเวลาเอาอะไรมาศูนย์เนี่ยที่เรนนั่นมันหลอกอย่างนั้นเมื่อได้นำธรรมเข้าไปจับดูแล้วอะไรมันศูนย์มันก็รู้ได้ชัดเออมันจะศูนย์อะไรอ่ามีแต่ที่เรนพาหมุนเย็นเปลี่ยนแปลง ให้เกิดแก่เจ็บตายอยูตลอดมาเนี่ยมันศูญไปที่ตรงไหนถ้ามันศูญแล้วมันมาเกิดมาตายอะไรอีกได้ลรอนั่นนั่นแหละถ้ามีธรรมเข้าไปจับกันเป็นอย่างนั้นมันรู้ทันทีเวลามันยุติก็รู้อยู่แบบหมดการหมุนเวียนหมดการเกิดการตายต่อไปอีกไม่มีก็รู้รู้อยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละท่าหลักใจบริสุทธิ์เป็นอย่างนั้น ใจที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วจะไม่มีคำว่าสีว่าแสงว่าสว่างแบบโลกโลกหรือว่าบะอับเฉาเหมือนกับน้ำที่สะอาดจริงๆแล้วไม่มีสีอย่างสีนั้นสีนี้ไม่มีในน้ำนอกจากเราเอาสีผสมมันเท่านั้นหรือพาดพิงกับสีใดมันก็เป็นสีนั้นขึ้นมาน้ำจริงๆแล้วไม่มีสีไม่ปรากฏสีจิตที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เป็นเช่นนั้น เพราะฉะนั้นคําที่ว่าสว่างาากระจ่างื่องนี้อบางที่เคยพูดมาอ ง, ง์อาจก็หานอะไรเหรอนั้นนั่นจึงเป็นเรื่องของความหลอกลวงของยุ่ดยิบอย่างละเอียดที่สุดทา่าอุปกิเลสสิบหกท่านกล่าวไว้นั่นแหละจิตเมื่อไปถึงขั้นนั้นแล้วก็ต้องมาถูกหลอกอยู่ตรงนั้นอีกกว่าสติปัญญาจะรู้รอบขอบคิดมันมันก็ต้องเล็ ครอบหัวใจดวงนั้นอยู่จนได้นั้นเนี่ยหลงมันอยู่อย่างนั้นจะว่า อ, อย่างไรเมื่อผ่านนั้นไปแล้วจริงได้เห็นโทษของมันว่า น, นี่ก็คือตัวหลอกกันสําคัญอันละเอียดฝุดไม่มีอะไรเกิ น, นนันนี้เนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าสติปัญญาไม่ทันก็ต้องถูกมันกล่อมอยู่อแล้วให้เคลิ้มหลับอยู่ไม่รู้ตัวอีกนั่นทางนี่มันละเอียดไหมกี่เลยแต่เราพูดถึงหนึ่งการประกอบความภาพเปลี่ยน ในเวลาไม่รู้เรื่องรุ่นรากรไก่กรการเหมือนเกาเรียนกรไ ก, ก่กอกาญนี่ก็แสนทุกแสนทรมานโง่เกินโง่หลงเกินหลงเกินจะทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะหน้าให้อภัยนะแต่ก็เพราะอัดเพราะทํานั่นแหละซักเข้าไปฟอกเข้าไปน้ําอัดน้ําทําเป็นน้ําที่สะอาดซักไม่หยุดไม่ถอยฟอกไม่หยุดไ ม, ยไม่ถอยก็ค่อยสว่าง ข้อสะอาดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมาชาติที่บริสุทธิ์ได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี่คือการบำเพ็ญคือความอุตส่าหพยายามทางพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาอย่างไรทรงนำนั้นหละมาสอนพวกเราให้ดำเนินตามนั้นเช่นวิริยะธรรมนั่นตั้งเช่ไติธรรมสมาธิธรรม ปัญญาธรรมเนี่ยเหล่านี้พระองค์ทรงดําเนินมาแล้วทั้งนั้นได้ผลเป็นที่พอประทัยแล้วจึงวางแนวทางนี้ไว้ให้เราก้าวเดินตามเนีวันนี้รู้สึกหน่อยๆเอาละเที่ยงเท่านี้หละตัวนี้ฉลาดที่ไหนที่ไหนเหูดีตาดีเขารู้เป็นหมดพระองค์ไหนปฏิบัติยังไงงไอยู่ที่ไหนดียังไงเขารู้มา เราก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติให้เป็นที่อกอุ่นของตัวเองนะถ้าอกอุ่นตัวในใจแล้วอยู่ไหนก็สบายเย็นอบอุ่นนั้นอบอุ่นด้วยทำนะไม่ได้อบอุ่นด้วยโลกามิทธน์นะนั่นหู้่ยหลาหลานนี่ฟู่ฟ่าฝ้าแล้วอบอุ่นอันนั้นมันเรื่องโลกเอาสิ่งภายนอกเข้ามาโป ะ, ะเหมือนดินเหนียว มาติดหัวแล้วก็ว่าตัวมีงอนงอนอะไรก็ดินเหนียวนะหาความอุ่นอะไรได้อย่างนั้นเป็นธรรมชาติของตัวเองสิอยู่ด้วยธรรมชาติของตัวเองเป็น อ, อบอุ่นสมาธิก็ว่าอุ่นปัญญาก็เหมือนกันยิ่งมีหวังมีแน่แน่เข้าไปโดยแบบจิตเมื่อเข้าช่อง แน่แล้วแน่ทั้งนั้นแหละแน่เรื่อยเรื่อตั้งแต่คิดเป็นสมาธิมันก็หายความวุ่นวายมงบเย็นอยู่ภายใ น, นยไม่ได้มากกว่านั้นก็ยังสบายเย็นสบายนั้นคือมันไม่คิดถ้าจิตไม่มีสมาธิเลยไม่มีฐานแห่งความสงบเลยเนี่ไม่แห้งคลายคลก็เหมือนกันก็มีด้วยกันทุกคน เพราะเราอย่างผมเองนี่โอ้โจนเหมือนกับว่ามันเข็ดจริงๆขนาดนั้นถึงขนาดที่ว่าจิตเสื่อมไม่ได้เสื่อมต้องตายเนี่ยนนะดูสิมันเข็ดไหมขนาดนั้นไม่เข็ดจะลงขนาดนั้นได้เลยเพราะจิตเวลาจิตไม่มีฐานในสมาธินี่ไม่มีอะไรเกินในเรื่องความวุ่นวายเอาไฟเผาเจ้ า, จาของไม่เผาจริงๆนะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินเลยมันก็เผา ร้อนรอ น, อนย ter, ิ่งจิตนะยิ่งจิตเสื่อมจาก ส, สมาธิเีื่อแล้วยิ่งร้อนยิ่งกว่าจิดไม่มีส์ไม่เคยมีสมาธินั่นก็ไมนเคยมีสมาธิมันร้อนยังไงมันก็อย่างว่านะพอมีเครื่องเทียบกันแล้วเครื่องเทียบจะหายไปนี่หนึ่งนะไม่ทุกจรินๆทุกอย่งไม่ลืมทุกวันนี้ไม่ลืมนะมีแต่เรื่องปุ๋นเรื่องไฟเผาเมว่อใจชอบ ไม่มีที่อยู่ที่เกาะเลยนะ่พอจิ<ม>ตก้าวเข้าสู่ความสงบเป็นหลักเป็นสมาธิแล้วเยน็นสบายมีหลักเรียกว่ามีที่อยู่มีที่อาศัยมีที่เกาะพอเย็นสบายนี้นะที่นี้ทำไม่วุ่นกับพังงอกเพราะได้ที่เกาะแล้วนะสบายเยน็นถึงจะ ม, มีความรู้ละเอียดแล้วคมมากกว่านั้นก็พออยู่พอกินพูดง่าย อืมเป็นมาอย่างนั้นนะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสัจธรรมจะให้ดืมได้งไงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องติดเสือ่อมผิเจริญเป็นเรื่องของสัจธรรมนั้นมันลืมไม่ได้วะ่ะเช็ดต้อง ม, มีวันจีดจางนะสดสดร้อนๆอนนทุกในเพศของภาคนี้ก็ทุก ความผิดเขื่อเมเนี่ล่างนั่นเลยเพื่อเฉยมันก็เป็นไฟหนึ่งเป็นถนาดมันนะ <c oughs> มันมันเป็นของมันนั้นนะมันอะไรทูกไม่ถูกมันเหมือนกับไฟอยู่ในเตาถ้าไม่มีเชื้อไฟไม่มีเปลือนใสก็ไปมันก็เป็นถัง ม, มันแดงโลดอย่้อ น, นี้นคิดถึงมันแต่เรื่องความสงบ ที่เคยเป็นมามันไม่ได้ไมัน ไ, ไม่เห็นนไม่รู้มันไม่ได้อย่างที่เคยเป็นมันก็มีตัวความร้อน น, นี่มันก็ไม่ลืมลืมไม่ได้พอ จ, จริงนี่สงบใจแล้วมันจึงจะเอากันใหญ่เอาให้สมใจนะไม่ใจเราเป็นนิสัยอย่างนี้จะด้วยหรือว่าเป็นนิสัยผ่าดโผล่ก็ถูก มันผลจริงๆถ้าลงเหตุผลพร้อมแล้วอย่างไงมันก็ขาดไปบั้นไปเลยไม่มีควาว่าถอยอ น, นี่ก็เหมือนกันมันได้เข็ดจะพอแล้วก็มีแต่เอาตายเป็นเครื่องประกันยถ้าเสื่อมต้องตายเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปนไม่ได้เลยมรนี้ันหนักเลยสิมันกันักโทษมหันตโ์โทษคนระุโทษบม่ึวรอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันกระดิกไปไหนได้ มันก็สบายไปยังไงก็สบายสบายตามขั้นกันละที่มันสบายแต่มันไม่มันไม่ละเอียดยิงกว่านั้นเลยเพราะขั้นสมาธิมันเวลามันเต็มที่แล้วมันมันก็เหมือนน้ำเต็มแก้วเนี่ยมันพอเหมือนกันเห็นแล้วเนี่ยไม่ใช่มาอุจริพูดมันเห็นนี่ว่าใจของเพราะมันทำนานขนาดนั้นเรื่องสมาธิกำหนดนี่ลงทันทีได้นริ ไม่ต้องไปให้เสียด้วยน้มีลา น, น, นเพราะความจำนานอันเดียวกับว่าสีการเข้าการออกของสมาธิมันํานานมันก็เลยแค่นั้นพอลงไปพอลงแล้วมันก็แน่วอยู่มีความรู้อันเดียวเท่านั้นที่ละเอียดปรากฏว่าละปรากฏในนั้นนะที่ยังไม่มีปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องนะมันว่าละเอียดสุดสุดแค่สมาธินั่นแหะมันพอ คนไางร า, ายก็อยู่แค่นั้นให้เลยนั่นไม่เลยนยังว่าเมื่อมันเต็มภูมิแล้วมันเท่านั้นน่ะมันไม่เลยว่ะสมาธิเหมือนน้าเต็มแก้วขั้นของสมาธิเต็มภูมิก็เหมือนกันอ น, นี้พอออกทางด้านปัญญาละจีมันถึงกว้าขง ข, งขงาวางละเอียดลออมากยิ่งกว่านั้นเขาอีกถึงกระั่งถึ ง, ง, งได้ย้อนกลับมาตําหนิสมาธิมันนอนตายเฉยวะนั่น แต่ก่อนก็ชมก็เห็นโถใครม า, ากคอก็ไม่ยามออกคอขาด ย, ยังไม่ยามออกเกกับสมาธิวะต้องบอกเวลาออกทางด้านปัญญาความละเอียดต่ออทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนก็สู่ความละเอียดยิ่งกว่าสมาธิเป็นบรนดาบรรดามันก็ยอนมาตำหนิอะไรสิโอ้โหมีมาธี สมาธนี้มันนอนตายเฉยหวัวมันก็ไม่พอดีอีกแล้วเราออกทางด้านปัญญากับผลผาดผลมากเยอะถึงถึงถึงฝึกได้มันคือนอนไม่หลับเลยกลรุ่งไม่หลับกลางวันนั้นจะไม่หลับอีกมันจะตายแล้วนี่ทําไงดีวะทํางานไม่ถอ ย, อยเห็นความละเอียดความอศัศจรรย์ความแปลกประหลาดไปโดยลำดับลำดัอย่างนี้ นั่นแหละที่ว่ามันพิสดารท่านปัญญาเนี่พิสดารเกินข้าศใครไม่จะมาค่าไมาได้ค่าเรื่องปัญญาสิ่งไม่เคยรู้มันรู้สิงไม่เคยเห็นเห็นสิ่งไม่เคยเป็นเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาไม่ทราบมีเหตุมีผลให้เป็นเนื้อหรือไม่ก็ไม่ทราบเพราะมันรวดเร็วของมันใครจะไปเอาเหตุผลไปจับให้ทันกันความรวดเร็วของของปัญญามันรวดเร็วขนาดนั้น ถ้าผมไปก็เต็มเหนียวเราไม่นราบหายหน้า ไ, ไม่เห็นบทิปัญญาประเภันัน้นฟังเสร็จอันนี้ก็คาดไม่ถูกอยู่เหมือนกันจะว่าไม่มีก็ไม่ใช่นะแต่ประเภทนั้นอะประเภทที่ต่อสู้นันมันหมดไปเลย<ม>เงียบไปเลยหยยเลื่อที่เราจะใช้พิจารณาเรื่องอัดเรื่องทาอะไรต่ออะไรนี้ มันก็เป็นอีกประเภทหนึ่งถ้าอะไรมีเรื่องสัมผัสปั๊บนี่มันจะตามของมันนะ่ะมันโหโหโรู้รวดเร็วเหมือนกันนั่นอยู่ดีเมื่อกิจนี้เมื่อไม่มีอะไรมาบีบมาบังคับมันแล้วจะอะไรจะเร็วยิ่งกว่าจิตอันนี้แต่กิเลสท่านั้นอะบีบบังคับไม่ให้ก็ดิดตัวได้มันกระทุกเลยสิเมื่อถูกบีบเยอะหรือเวลามันเปิดออกหมดแล้วจะอะไรมาทุกข์ ว่าเรื่องวางหูเรื่องว่างไปทั้หมดเลยโลกมีอยู่นี่แล้วมันอันนั้นมันไม่ไปยอมมันไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ยอมเป็นธรรมชาติเรื่องวางเลยตัวเองอย่างเงี้ยรู้เหมือนโลกไม่มีตาก็เห็นอยู่หูก็ฟังอยู่แต่เหมือนเหมือนโลกไม่มีเนี่ยมีหับธรรมชาติทั้งมันเป็นันเหมือนไม่มีก็ ม, ม, มาเรื่องว่างคือหมายรับธรรมชาติ อดูดั่นดูนี่ยับๆมันเรื่องสมมติน่ะมันเกี่ยวกับสมมติต่างหากคือมันเมื่อมีขันอยู่มันก็มีสิ่งสัมผัสกันให้รับทราบสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นธรรมดาส่วนสังขารนี่มันก็ปรุงได้ทําไมปรุงไม่ได้ไม่ใช่คนตายหมันก็ปรุงได้แต่มันจะมันก็ปรุงเพียงปรุงแล้วมันกระดับขึ้นไปมันไม่มีตัวรับช่วงไปเพราะไม่มีไม่มีตัวหนุนมันมันแต่ก่อน อวิชชาที่ตัวหนุนปรัชยาแล้วก็สังขาราเป็นหน่นวยทั้ง <c> ห <oughs> นดไม่มีอะไรมันเหมืนพูดรวมเหมือนหางจิ้นจกหางจิน้นเหลนขาดอัดินด่นเล็กๆ น, น, น, นีความหมายอะไรทั้หมดอ น, นิจจาลงสภาพของมันอันนั้นท่านก็นมาสงสยัยอะไรจะวาง อ, าอะไรล่ะ พูไม่พูดท่านก็ไม่สงสัยนี่ว่าอะไรคือพูดออกมาเป็นคําเป็นคํามันก็พูดมันโลกมีสมมุติก็ว่ากันไปนั้นเนาะธรรมชาติที่เป็นนั้นไม่ได้สงสัยตัวเองเราวิตกระเรื่อนะวงกรรมฐานเรามันจะเป็นอย่างที่ว่านะมันจะค่อยหมดไปไมหมดไปต่อไปจะไม่มีเหลือมีแต่ชื่อกรรมฐานเฉย ไปที่ไหนถือเรื่องวัตถุถือเรื่องแบบโลกๆเอามาเป็นใหญ่เป็นโตพายในหัวใจมาเป็นภาละพลังอะไรแบกหามมันเรื่องธรรมะกี่เด่นไม่มีนี่คือเรื่องสังสนที่เห่นในวงกรรมฐานานี้หนึ่งยี่มันสําคัญเราจะภักที่ไหนนี่เรื่องคือเกิดเลื่อง หรือพักที่นี่แล้วเอาขึ้นแล้วอะไรอะไรอะไรอะนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีเนี่ยเห็นไหมล่ะเรื่องโลกเขาตืงนนั่นโลกเขาอันนั้นไม่มีนี่มีดีบนั้นดีบนี่ยุ่งอืมพระเราก็ไปที่ไหนก็เอาแล้วสร้างนั้นสร้างนี่นั่นไม่มีสลามไมมีกุฏิไม่มีเอันนั้นไม่มีอนี่มียุ่งกวนแต่พงษญาติพงษโยมประชาชนเขาเบื่อจะปายหัวใจมันเต็มไปด้วยความหิวความ ก็หายความอยากความดิ้นรนอย่างนั้นมันไม่ดูมันจะไปเห็นที่ดับกันได้ยังไงเมื่อมันไม่ดูก็ต่างคนต่างดีต่างดิ้นสทุท้ายก็แข่งกันอลยวัดใครสวยงามหรูหลาแข่งกันมันก็เป็นเรื่องโลกไปดีๆนี่เป็นเรื่องอะไรทำแต่แค้เห็นตํำรับตงลาก็มีใครเป็นคนแสดงก็งพูดได้เจ้าแสดง ท่านมายกสิ่ง่านี้ว่าเป็นของสาระสำคัญที่ไห น, นไม่เห็นหมีตรงไหนก็มีแต่ทิศทั้งหลายทิศทั้งหลายขึ้นเรื่องสมาธิขึ้นเรื่องปัญญานี่เลยาการที่อยู่ที่เดินจงกรมที่พักผ่อนมีที่ไหนมิจะป่าแต่เขานั่นฟังสื่นันมีที่ไหนที่รู้หลานอกจากให้รู้หลาทางสมาธิรู้หลาทางด้านปัญญารู้หลาทางความพักเพลินนี่ศาสดาท่านสอนอย่างนั้น มันใครจะมากหกกันได้ก็เรียนด้วยกัรนี่วะ mm. จะทำบัตรเล่มนี้มัน ก, ก็รู้กันดีนะครับ <c oughs> แบบมืออยู่ตลอดนาน <c oughs> เครื่องยืนยัน ม, มีมีมันทําให้คิดมันจะเป็นอย่างนั้นโดยไม่ต้องสงสยัยละยุ่งการเกาะการสร้างการวุ่นวายติดต่อผู้คนญาติโยมถ้าไม่ได้ติดต่อไม่ได้ใจมันดิ้น แล้วใครมีบริษัทบริวารมากเหมือนกับว่ามีมา <c oughs> มีตามีลิขสัตดานุภาพมันไปที่ไหนมันไปอยู่ที่ไหนมันมีเด็ดโอ้ยแต่ก่อนมันเหมือนทุกวันนี่นะมันมันปลาเสือโดงเสือทั้งนั้นนี่นะ่ะไปที่ไหนมีแต่อย่างนี้นะท่านท่านว่าท่านท่านสมุทรมันมากที่สุดเลยจะไม่กลาาท่านราบจะจ ะ, จะทาไง มันเป็นในหัวใจมันยอมมันการาบราท่านเป็นผู้บูบิกให้ทุกอย่างนี้นะทุกยากลําบากขนาดไหนหลวงปู่มั่นนี่ลําบากมากที่สุดเลยนะในบรรดาครูบาอาจารย์ในสมัยนี้มานี่นะหลวงปู่มั่นหลวงปู่สานีวหลวงปู่มั่นนะเป็นที่หนึ่งนะ ท, ที่ที่ลําบากมากที่สุดลำบากลาบานมากเวลท่านเล่าเนี่ยโอผมน้าตาร่วงเหมือนกันนะถึงความลําบากลำบนของท่านไปบางที เดินป่านี่บางทีหลงทางคือของช้างทางโคงช้างมันเหยียบแหลกหมดลงทางเราเป็นดันๆไปเนี่ยทางขงช้างมันมาเนี่ยแหลกหมดไปก็หลงทางจรินไปไม่ถูกนอนข้างโดนนอนเยก็ร้ายกันว่างนั่นก็เรื่องข้าวนั้นเราเคยกินเมื่อเคยอดมาพอแล้วเนี่ยอย่าจาร้ตุกิจงานันวางนั น, น, งนี่พูดถึงเรื่องว่าแต่ก่อนมันไม่มีถนถนทางไปไหนกันมันกระบุกไปงั้นแหละทางพอเป็นดันานๆทา้งท้งใ่ความจริงจิง ไม่ได้ต้องหลงมันวางเงินคือเขามีถากไม้นิดๆๆๆๆนิดนิดอะไรแต่ในดงจริงเนะเราจะสังเกตลายเขาถากไม้ถากมันเป็นด่านไปนี่นานๆคนจะไปทีหนึ่งถ้าไม่มีลายปุยหมายป้ายทางบ้างไปไม่ถูกเพลงจะให้มันเป็นทางยริงไม่เป็นมันลําบากแน่ลำบากจริงๆทีนี้ยิ่งโขมช่างผ่านเข้ามาทั้งละแหลกหมดไม่รู้ว่าทางอยู่ไหนจะต้องเดินลัดเลาะไปหาจน ไปเจอนั่นแต่นี้บางทีมันไม่เจอหันว่างนั้นหลงไปเลยจะไปบ้านนั่นบ้านานี่แถวจังหวัดเลยแถวนี้มันี่แถ ว, ว, น, แถวนี้ทุท่านเที่ยวไปหมดที่ไหนเลยมไม่มีบ้านผู้บ้านคนเหมือนทุกวันนี้ไปเป็นวันๆก็ไม่เจอบ้านคนมีนใครจะกี่ปีมาแล้วหกเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วไม่ใเหรอจากนั้นมานี่น่ะันแต่แค่ผมบวชมาห้าสิบปีนี่ก็ จะภาพมันเปลี่ยนแปลงขนาดไหนมันก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วนี่ท่านยิ่งก่อนหน้านั่นอีกว่าโอ้ท่านหลวงปู่ ม, ม่านนี่สมุกสมมันมากจริงๆหน้ากราบไหว้บูชาอย่างถึงใจเลยนะท่านเป็นผู้บุกเบิกให้พวกเราในงั้นทุดงควัตพวกเราจะเอาอะไรมาปฏิบัติว่าที่มีในตำราไม่มีผู้พาดําเนินมันก็อยู่อย่างนั้นนะอย่างที่เราเห็นนั่นนี่ท่านพาดําเนิ น, นสมุกสมมันมาก่อ น, นอยิ่นดูยัง เดินไปตามทางนี้เขาไปหาอยู่หาจริงไปเจอท่านแต่คือเรื่องวิ่งเข่าป่ากเข่าโลกอะไรกันอย่างนี้นะเกษียงณไปนนั่นนั่นความจริงนั่นคือเขาตื่นพระธรรมกรรมฐานมันไม่ไม่หนีแต่ก่อนไม่ก็มีอ่ะก็มีแต่ท่านบุกเบิกทุกวันจะไปไหนใครก็สร้างมรดกกรรมฐานน่ะนั้นท่านจะอยู่ท่ามิกานี่เป็นเรื่องพิสดารมากนะเขาเล่าอะไรละไร เพราะฉะผมต้องไปตามไปดูแ ต, แต่อันนี้เวลานี้นั่นถ้าชาลิกานั้นนนครนายกนั่นพื้นมันเขาปรับใหม่หมดแล้วมันไม่เป็นนั่นแหละก็ยังเหลือแต่เพดานเพดานถ้าแคบนิดเดียวเล็กๆที่ท่านเข้าไปดูท่านว่าท่านเล่าฟังนอนที่มีผมไปดูเนืเ้อเขาทําห้องไว้ได้เรียกว่นม่นถึงนั้นแต่พื้นนี้เขหน้าสิเดนหมดแล้วนะ พื้นหนลากหมดไม่รู้ผมไปเห็นผมงงกับที่ท่านเล่าให้ฟังแล้วก็ับมาเห็นนี่ทําไมตือนี้เป็นคนโลกผมก็เลยซากใหญ่เลยแล้วป่าไม้นี่มันเป็นยังไงแต่ก่อนมันเป็นยังไงแล้วแล้วโอ้ยไอ้นี่มันป่านี่มันเหลนมันเขาวางกั้นนะ่ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานมันมันเหลนมันตาเรานี้เน่ะแต่ก่อนไม้เขางัก็เล่าให้ฟังถึงผมถึงได้เชื่อก็ไปดูกับที่ ท่นมาฟังกัรเราเขียนนั่นเนาะมันเป็นคนโลกนะเนี่ยกำเราไปเห็นนี่ต้นไม้ที่ที่ที่เราฆ่าแต่วาดฆ่าแต่วาวาดภาพไว้นั่นเนาะมันไม่มีอะไรเหลือเลยเหนือตั้งแต่ต้นไม้อะไรที่ว่าดนี่บีเขาว่าเหรนั่นมันใช่เรายอมรับเลยบอกว่าโอ้ยนี่มันเหรนมาเหมนัันไม้เขาโค่นลงนี้ปิ้งลงไปนู่นเขาเอาไปใช้ก็มีเยอะว่างั้นนะนี่ขนขดนี้ขนดนี่เขาว่ายอมฟังผมตึงได้เชื่อ ดงทั้งนั้นแถวนี้มีแต่ต้นไมใ้ใหญ่ๆทั้งวันหมดนะลูกมันก็หมดหลานมันก็หมดเหลือนะแต่เหลนนี่แล้วเนี่ยดูเอานะท่านเด็กอย่างเชื่อนะพอมั น, ม, น, ม, นมันเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นนะฟังกันดูก่อนระยะเราไปสองสาวันมันีกลับสมัยหลวงปู่ ม, มั่มนอยู่นั้นานานตลอหลายไปดูเนี่ยนี้ไปทรงธรรมาสังเรชถึงบุญถึงคุณท่านนะผมไม่ใช่อะไรนะ มันถึงจจริงๆนะครับพ่อแม่กูยันมั่นไม่มันลงไม่ยังไม่มีอะไรเหลือเลยนะเพราะฉะนั้นท่านได้ยินว่าท่านอยู่ที่ไหนผมก็ต้องซอกซอนเข้าไปจนกระทั่งถึงถึงที่ถึงที่ถ้าพอไปได้ยังไงผมต้องไปเพราะผมไปด้วยความเคารพจริงๆไม่ใช่ไปธรรมดาเมื่อคนนายกนี่ผมก็ไปทำพิธีการที่มันสลดสังเวชอะมากก็คือว่าไอเสาเทวทัศน์มันอยู่บนหลังมันอุตามดเนี่ยนะผม โอ้ทำได so ้ลงคอทำได้ลงคอก็มันอยู่ในห้องนั้นอันนั้นเสามันอยู่บนเห็นเห็นอี่บนหลังผมก็เลยทุเลียดปัดทถบปัดทุบปัดทุขึ้นทำในรงคอนี่ยพระได้แค่นะโอ้ย่านอย่าไปปรุงข้าวไปทำเยอะผมกันานที่นี่านที่เขาลดซุดมาใจผมเนี่ย พ อ, อเป็นเล่าถึงเรื่องผิดถึงผลร่วมใหญ่น่ะอ๋อมันร่วมใหญ่เพิ่บบ้านเดียวทั่าลนละเเหมือนกับว่าโลกกระทถา น, นี้ขาดทุกวันหมดเลยล่งมัดแค่ต่างว่าตอนนี้ที่มันอาจารย์โลกกหายเนี่ย น, นี่นี่มันเป็นแต่เพียงว่ารูปร่างเฉยๆนะที่ว่าถ้ำชะลิกาขึ้นไปนั่นนะไอ้ขึ้นไปนั้น เขาก็ปล <OMAN 2> mm ูกจนไม้ใหม่ขึ้นหมดแล้วที่ว่าเลนเลนน่ะถูกแล้วไม้เครื่องปลูของเราอยู่เช่นอย่างไม้ขนุนบ้างไม้อะไรบ้างเขาปลูกตามขึ้นไปไม้กรเกรอนไม่มีนล้วแต่เราก็จำเอาที่เขาพูกในี่ฟังอย่างชัดเจนนั่นนะบอกว่ามันเลนม้านเขาว่าภูเขาตรงนั้นตะก่อนนุ่มมันก็เหมือนกันกับอันนี้ไม่ี่างกันที่ภูเขาที่ท่านไปท่านไปเที่ยวท่านบอกว่าท่านออกจากนี้ท่านไปเที่ยวบนหลังเขาไปนู่น แลไปหาลูกนั้นลูกนี้นั่นลูกหนึ่งมันมีจริงๆึ้นไปเที่ยวนู่นค่ำๆนี้ท่านานี้ลงมาท่านว่าพวกเลงนี่ใหม่เต็มไปหมดนั่นแล้วไปคราวนี้มันเหมือนกับพุ่มมะเขือนั่นสิต้นไม้นั่นนั่นกับท่านเล่านะ่ะมันเป็นคนลโลกเราเขียนก็นเหมือนกันกบโกหกโลกพนะูดง่ายๆเราเองยังงงเขียนตามเรื่องของท่านนี้เล่าให้ฟังแทน มันทำไมนเปนอย่างนเพราะอาจารย์จินตักถามเรื่องราวนะพอเราฟังอาจาจินตุตายใจผมนักไม้มันไม่รู้กี่รุ่นแล้วที่ถูกทําลายลางไปมเพราะว่าอันนี้มันจะว่าเป็นดงกับว่าอะไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ตัวถูกทำลายมันมีภูเขาลูกหนึ่ ง, งมาแล้ว ล, ลูกของท่านอยู่นี่มีถ้ำนี่ขึ้นไปรับกัน ชนกันอันนี้มันมันดื้นดุ่นออกมาเนี่ยกระท่ำเวลาท่านบอกว่าท่านเวลากลางวันท่านไปเที่ยวขึ้นไปบนเขาทันวางนั่นท่านม่อยู่ที่ที่ถ้ำท่านว่างนั่นไปอยู่นู่นหลังเขาแล้วก็ไต่ตามเขาลุงนั่นไปอีกอยท่านบอกวันมีเขาอยู่หนว่าแล้วก็ไต่เขาก็ไต่อยู่นู่นสบายเงียบ โลเย็นๆท่านนลงมาที่ท่านไปภาวนานี้เวลาเราไปก็เห็นเขาลงก็เห็นแต่มีต้นไม้เพราะแนวอาจารมั่นเห็นผู้ลำบากข้งบนที่สุดในสมัยปฏิวัตอขนาดชี่ท่านเป็นที่แรกเป็น น, นักดูเห็นโบเวลาจะเข้าได้เขาเขียนสุดยอดจริงๆท่านก็ไปเป็นอยู่ที่เชีงยงใหม่ ผมมันลืมไปแตตอนที่วไม้ต้นนั้นขี้ไวยังไงจริงๆแต่ท่านอยู่ไม้ต้นเดียวโดดเดียวนะที่ท่านเป็นในคืนมันนั้นคืนความโลกธาตุออกจากใจน่ยไมไ่ถามมาเป็นต้นอะไรยังไหมมันก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันทนะุกวนันนี้แต่ว่ามันไม่เปลี่ยนยังไงสภาพของป่าของโลกนอกจากจากลึกๆข้าไปจริงๆนั้นอาจยังมี เลือกขนาดไหนคนมันก็ไม่มีใครที่จะเลือกอยิ่งกว่าคนแหละมันตายได้หมดบ้านมันเห็นเต็มไปตามอาดอสุเทศเข้าไปนู่นที่พราตำหนักภูพินเข้าไปเข้าไปลึกบ้านคนเต็มหมดแล้วนะไปอย่างนั้นแล้วครับบ้านคนมีที่ไหนมันบุกเบิกที่นั่ น, นว่าไนงะมันคิว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างห้วยแก้วนี่แนะ ทุกวันมันมีแต่น้ำไหลลงมาธรรมดาแช่แช่แมันนิดหน่อยแต่ก่อนโอ้โหท่อน้ํามันพุ่งจากนู่น่ะลงนู่นทอมขนาดนี้มันพุ่งพุ่งเหมือนกับน้ําตกลงจากรางรางน้ํำเรานะพุ่งลงนู่นมันเป็นชออเขาลงมาพุ่งตกถึงนี่จากนู่นถึงนี่มันเป็นท่อมาเลยนะมันพุ่ง เราเดินเราเดินมาชั่วระยะยังไม่ถึงจะใกล้อะไรนักล่ะครับท่อน้านที่มันไหลตกลงไปนั้นนะโอ้ยมันหนาวตัวสั่นไปเลยทัว่วางเดี๋ยวนี้มีที่ไหนนท่ออย่างนั้นไม่มีนะเดี๋ยวนีน้มันหมดมีแต่น้ำ ม, ม, นนะ ม, น ม, มันไหลแช่ช่แช่แช่ช่แช่แช่แช่แช่แช่แช่งหนแช่แช่แช่แช้แช่แช่แช่แช่แช่แช่แช่มช่แช่แช่แช่แช่แช่่แช เดือนเมษาที่ว่าพอน้ำเนี่ยมันเท่ากับอะไรกองเพลนนี่พ่อมันใหญ่ขนาดนั้ น, นลงลงลงตัวหินหินดานเสียงไม่ได้ยินอนะ่ะใครไปนั่งแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรหลยไม่ได้ยินแต่เสียงน้ามันตบเขาห้วยแก้วไม่มีบ้านสักหลังเดียวนานตอนนี้ห้วยแก้วเนี่ย ไม่มีบ้านแม่หลังเดียวเลยมีแต่ดงแต่ป่าทั้งนั้ น, นแต็มไปหมดแถวนั้นนะดเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไฮกระลุนเปลี่ยนขนาดไหนเปลี่ยนแปลงเขมยหายลงมาแล้วหายลายที่เขาทำเลที่บ้านเต็มหมดของแก้วนั้นแต่ก่อนไม่มีแม้หลังเดียวเล ย, ยเป็นดงเป็นป่าหยางขนัดชัดเจนเต็มวัดก็เส็จนันก็เดินมาก็มาถึงวัดเนี่ยสันติธรรม ที่เขาสร้างวัดเนี่ยสันติธรรมสันติธรรมนั่นน้ำ บ, บ้านคุณพระอาสาอยู่ตรงนั้นทุ่งนาบ้านคุณพระอาสาอยูเออ่เรียกคุณพระอาสาเพราะเป็นโยมพระถางวัดเจดีหลวงอยู่ตรงนั้นทุ่งนาบ้านหลวงหางทุ่งนาเลยงานขนาดนั้นจําได้เดี๋ยวนี้เป็นยังไงขนาบความเปลี่ยนแปลงเราหมุดพูดถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลง มันทําให้วิตกเรื่องพระเราจะอยู่ยังไงต่อไปนี้นะรักษาป่ารักษาเขาก็ยังที่เราว่ามันเลยมันสลุดสองเวเหมือนกันนะผมพอได้ยินด้วยรักษาป่ารักษาเขาเป็นภัยต่อพระพระเป็นภัยต่อเขาอะไรเขาถือว่าเป็นภัยต่อเขาไม่เห็นพระพายอยู่กจะเห็นความทชกประโกของเขาความเวลวล่าของเขา จะมาตักฟังดิหาเรื่องกับพระเพื่อไปดูเพื่ไปดูอยู่มันไม่มีอะไรเือ น, นั้นนะหมดเข้าไปหมดเข้าไปมีอย่างมีทางนี้เล้านั้นคือว่าผู้หลวงผมไปดูกันนั้น บอกทําดีแล้วให้ทําดีไปดูในล่างว่าไปดูนารีมนาะไปดูทำเลยที่ไหนมันเหมาะพอสมควรเราทําไปพักแล้วเป็นทังเก็บ ด, ดูไปดูให้ดีเที่ยวดหูหมดหน้าวะผมเลยมอบให้ทำดีถ้วาว่ามันเหมาะสมที่นะั่นแล้วยิ่งจะจไปสร้างสํานักพันทักษะแหให้เป็นสํานักป่าล้นล้วนร้อยเอร์ซมายุ่งมับเรื่องการก่อการสร้างนะั่นนี่นี่น มันเป็นป่าธรรมชาติสถานที่เหมาะสมธรรมชาติทางจงกรมเรียบอยู่ไม่ต้องอะรู้ล้าอะไรใครรู้ล้าในธทํานี่วะไอ้นี้มันไม่มีหายอย่างนั้นจะไม่เจอจะว่างไงแรู้ล้าแบบท่วารมันเป็นแบบโลกไปหมดแล้วแม่แต่วัดป่านั้นจะพูดเหนือเราไม่ได้พูดแล้ววัดบ้านนั่น การถ้าการสอนผมก็สอนทุกเนแง่ทุกมุมเรื่องภาวนาอผู้ไปภาวนาไปยังไงลุ่งผมสองหุนสามหุนไปจะไ ป, ไปเล่าเรื่องประเสริฐเรื่องอาจารย์ให้ฟังเพียงจับตร ง, งนั้นปับนเทนั้นหุ่นสะดุ้งแล้วท่านตรงนี้บางท่านจะเป็นบ้าเลยนี่แบบมันเกียจคีดอย่างนั้นแล้วนะทาไมเท่านี้มันพุ่งออกมาได้นี่ยว่นี่สิมันจําเป็นอะไร ท, ไทําไม่จริงไม่ได้หุ่มไม่ได้ไม่ได้อยากไม่ได้หิว ไม่ในแสดงกิริย า, ยานั่นมาถึงข่าวเรที่ควรจะพูดถึงกวรจะนั้นมันจะค่อยเป็นค่อยไปมันพอดีพอเหมาะพองามนั้นหนาทําเป็นอย่างนั้นมะอันนี้พอขึ้นไปแล้วไปพูดอย่างนั้นไหมผมฟังมันนี้นผมได้สะดุดใจเกือกเลยเพราะเราไม่เคยปฏิบัติมาแบบนี้ไม่เคยพูดแบบนี้ทั้งทั้งที่เรากับพ่อแม่กวิจารณ์เป็นยางไรกันอือเราก็ไม่เคย เลิกกันล้วลแล้ว